ที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตาสมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพุทธบริสัทธิเพื่อเป็นการสร้างความสุขความนุ่มเย็นให้แก่ชีวิตจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่ ง, งใดนในโลกนี้สำหรับจิตใ จ, จแล้ว ไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับความสงบสุขต่อให้มีสมบัติมากน้อยเพียงไรต่อให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรและก็ไม่มีอะไรจะให้ความน่มเย็นเป็นสุขได้นอกจากการทําธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พุทธบุตรสัตว 4ได้ทำกันพุทธบริษัท4ี่นี้ก็คื อ, อพระภิกษุสัมมะเนอุบาสกและอุบาสิกาคือทั้งสองฝ่ายฝ่ายฆรหัสและฝ่ายบรรพชิตคือฝ่ายผู้ครองเรือนและผู้ออกบวนมีหน้าที่และมีธุระเหมือนกันต่างกันที่ความเข้มข้นของการทำธุระ ถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนเป็นข้าราชการอยู่ก็มีธุระอย่างอื่นที่จะต้องทำด้วยก็เลยต้องแบ่งปันเวลาให้แก่ธุระอื่นเช่นการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นต้นส่วนนัก บ, บวชนั้นก็จะไม่มีธุระอื่นที่ต้องทำมีธุระเพียงแต่ปฏิบัติธุระที่พระพุทธเจ้าสง่งมอบหมายไว้ให้ เพราะว่าธุระอย่างหนึาทางขรหัสทางญาติโยมก็รับเป็นธุระให้เชนเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคขึ้น่นนึ่งหงญาติโยมก็คอยดูแลนำมาถวายให้พระภิกษุสัมพัทธสัมมเนยอย่างสม่ำเสมอจนล้นวัดอย่างนั้นพระภิกษุสัมมเนรจึงมีเวลาที่จะ ทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ได้มากกว่าคารหัสผลก็จะแตงกันนักบวชก็จะได้รับผลจากการทําธุระนี้มากกว่าคารหัสญาติโยมแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลมากเท่ากับพระก็ตามแต่ถ้าเราทําไปแล้วอย่างน้อยชีวิตจิตใจของเราก็จะร่มเย็ยนเป็นสุข ตามอัตภาพของเราตามฐานะของเราจิตใจจะไม่วุ่นวายสับสนจะไม่ทุกข์มากจนเกินไปพอมีที่หลบหลบภัยได้ถ้าเป็นบ้านก็ถ้าเป็นสถานที่ก็เป็นพอหลบแดดหลบฝนหลบจากพายุอะไรต่างๆได้ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงไม่ควรที่จะละเลยทุระ ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้แก่พวกเราไม่ว่าเราจะเป็นข้ารหัสหรือบันพระชิตก็ตามการทำธุระนี้มีแต่จะได้ผลดีและจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราธุระทั้งสองนี้ก็คือ 1. ขคันธุระ 2. วิปัสนาธุระนี่คือธุระหรือภารกิจ ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายไว้ให้แก่พวกเราถ้าพวกเราถือธุระทั้งสองนี้เป็นธุระและทําอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับความร่มเย็นไปตามลําดับจนถึงความร่มเย็นเป็นสุขที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้พบกัน การทำธุระนี้ก็คือการศึกษาเพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติอะไรกันเช่นทรงสั่งสอนให้พวกเราทําทานให้พวกเรารักษาศีลและให้พวกเราภาวนานี่คืองานสามชิ้นสําคัญของ พระพุทธศาสนาที่จะทําให้จิตใจอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ <Yeah. S 1> เมื่อเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติอะไร <Yeah. S 1> เราก็นําไปทําให้แจ้งคําว่าทําให้แจ้งก็คือวิปัสสนาธุระทาให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในจิตใ น, ในใจของเรา ทำใจของเราให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาก็ต้องเกิดจากการทำให้แจ้งนี้เองรู้แล้วว่าให้ทานเป็นอย่างไรรู้แล้วว่ารักษาศีลเป็นอย่างไรดูแล้วว่าการภาวนาเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่นำไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับรู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาอาหารแต่ไม่ ไปทำเสื้อทีรู้อยู่ของข้าวหุงอย่างไรรู้อยู่ว่าทากับข้าวชนิดนั้นทำอย่างไรแต่ไม่ไปทำก็จะไม่ได้รับประทานอาหารถ้าไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายก็ต้องมีแต่ความหิวโหวยมีแต่ความทุกข์ยากลาบากเช่นเดียวกับจิตใจเพราะธรรมะคำสอนของพระพระเจ้านี้ก็เป็นอาหารของจิตใจนั่นเอง ถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องทำทางเราต้องรักษาศีลเราต้องบำเพิญภาวนาแล้วเราไม่ทาใจของเราก็จะไม่ได้พบกับความอิ่มเอึกไม่ได้พบกับความสุขความเย็นความสบายที่จะได้รับจากการนำอาหารธรรมนี้เข้ามาสู่ใจดังนั้นหลังจากที่เราได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติจะต้องทาอะไร เราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจปฏิบัติอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ตั้งใจมาปฏิบัติภารกิจทั้งสส่วนนี้ลุทธุระที่พระพุทธเจ้าสรงมอบหมายนี้คือท่านทรงสอนให้เราให้ทานก็หมายความว่าถ้าเรามีอะไรมากเกินความจำเป็นเหลือกินเหลือใช้เราไม่ควรเก็บเอาไว้ เราควรเอามาแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นเพราะการมีมะอะไรมากเกินไปก็เหมือนกับการแบกของที่มากเกินไปนั่นเอง mm. เช่นใส่เสื้อผ้ามากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายมีจะทำให้มันหนักแล้วก็จะทำให้ร้อนไปปล่าๆเสื้อผ้าเราก็ใส่เพียงพอประมาณพอกับความต้องการของร่างกาย เสื้อผ้าเราก็ควรมีไว้เพียงพอประมาณต่อการต้องการของร่างกายในวาระต่างๆเช่นเสื้อผ้าที่ต้องใส่ไปทำงานเสื้อผ้าที่ใส่ไปเที่ยวเสื้อผ้าที่ใส่มาวัดอย่างนี้เราก็ต้องมีไว้พอสมควรแต่เมื่อเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรจะมีอีกเพราะมันไม่จำเป็นมันไม่ได้สร้างความล่มเย็นเป็นสุขให้แก่จิตใจ แต่มันจะกลับทำให้จิตใจนี้ต้องแบกของที่ไม่จำเป็นไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุดังนั้นถ้าเรามีอะไรมากเกินไปเราไม่ได้ใช้อย่าเก็บเอาไว้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นจะดีกว่าเพราะเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความสบายมีความภูมิใจ เพราะว่าเราได้อาชนะความเห็นแก่ตัวเราได้ชนะความตันีเราได้ชนะความโลภที่เป็นเหตุที่จะสร้างให้ใจมีความคับแคบมีความรุ่มร้อนมีความหิวมีความกระหายนี่คือเหตุผลของการให้ทานเป็นอย่างนี้ไม่ได้ให้ทานเพื่อควังที่จะร่ำรวยยิ่งกว่าเดิม ถึงแม้ว่าอ น, นิสงฆ์ของการให้ทางนี้ก็มีอยู่คือถ้าเราให้แล้วต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราให้ไปนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเช่นพระสิวลีเป็นตัวอย่างท่านมีนิสัยชอบให้ท่านมีอะไรถ้าไม่เก็บเอาไว้มากเกินจำเป็นในแต่ละภกแต่ละชาติท่นจะให้ทานเป็นจำนวนมากลองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น พอในพบสุดท้ายที่ท่านได้มาเป็นพระศิวลีท่านก็มีศรัทธาญาติโยมทำบุญขวายข้าวของเงินทองมากมาย ก, กายกองมากกว่าพระสาวองทั้งหมดมีพิพระศิวลีนี้ท่านได้ทำบุญให้ทานมามากแต่การทำบุญให้ทานของท่านนี้ท่านไม่ได้เล็งไปที่การจะได้รับข้าวของเงินทองเป็นสิ่งตอบแทนท่านต้องการ กำจัดตนิความหวงกำจัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในข้าวของเงินทองต่างๆเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นกองสุดเรามีมากเท่าไหร่แล้วเราหวงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเราจะหวาดกลัวไปหมดกลัวจะถูกขโมยมาปล้นมาจี้กลัวจะถูกไฟไหม้บ้านกลัวจะถูกน้าท่วมกลัวไปหมด เลยไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คอยเฝ้าซัพย์อยู่ตลอดเวลาจะไปเที่ยวไปทําอะไรก็ไปไม่ได้เพราะเวลาไปแล้วกลัวยกของจะหายเวลาของหายไปเพียงเล็ ก, ลกๆน้อยก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเกิดอารมณ์วุ่นวายขุ่นมัวขึ้นมานี่เป็นโทษของการยึดติดใน ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองและก็จะทำให้ไปเกิดในสุขคติไม่ได้เพราะหลังจากตายไปแล้วก็จะห่วงทรัพสมบัติของตนก็จะย้อนกลับมาหาทรัพสมบัติของตนถ้ามีสัตว์ตัวไหนกำลังตั้งท้องอยู่ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์ตัวนั้นจะเป็นเป็นตุ๊กแกไปเป็นจิ้งจกไปเป็นแมวเป็นสุนัขในบ้านของตนเอง เพราะความห่วงใยความห่วงแหนในสมบัติข้าวของเงินทองอย่างที่มีเรื่องในพระไตรปิฎกที่มีเศรษฐีผู้หนึ่งมีความห่วงแหนทรัพสมบัติของตนเป็นอย่างมากไม่ยอมทำบุญให้ทานไม่ชอบรักษาศิลเพราะถ้ารักษาศีลแล้วทำให้หาเงินหาทองไม่สะดวกยิงนกตกปลาก็ไม่ได้โกหกหลอกลวงผู้อื่นก็ไม่ได้ ก็เลยไม่รักษาศีลไม่ห้าบุญให้ทานมีเงินทองมาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่ยอมให้ใครลูกหลานก็ไม่ให้เอาไปฝังดินไม่หมดไม่บอกใครด้วยว่าฝังไว้ที่ไหนพอตายไปลูกหลานก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่พ่อทิ้งเงินทองไว้ที่ไหนบ้างแต่ตัวพ่อนี่รู้และใจที่ยังรักยังหวงเงินทองเหล่านี้อยู่ก็ไปเกิดในท้องของสุนั์ในบ้านของตนเอง ไปไปเป็นลูกสุนัรและวอคลอดออกมาก็อยู่ในบ้านนั้นก็ความห่วงความหวงสมบัติพระพุทธเจ้าทรงทราบทรงทรงดำเนินผ่านมาเห็นเขาก็ทรงทราบว่า น, นี่เป็นเจ้าของบ้านที่มีความห่วงความหวงในสมบัติของตนและไม่รักษาศีลไม่ได้ให้ทานตายไปจึงไม่มีอนิสง ที่จะส่งให้ไปเกิดในสุขติให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมให้กลับเนื้อให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนพระพุทธเจ้าจึงสั่งลูกของที่บ้านนั้นว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของพวกเธอในอดีตเขาตอนนี้เขากลับมาเกิดเป็นสุนัขเพราะเขารักสมบัติของเขาเลี้ยงเขาไว้เถิดเลี้ยงเขาให้ดีเดี๋ยวเขาจะพาไป ขุดสมบัติให้เองแล้วไม่นานสุนังตัวนี้ก็พาไปขุดสมบัติที่พ่อได้ได้ฝังเก็บเอาไว้นี่ก็คือเรื่องของการไม่ทาบุญให้ทานการไม่รักษาศีลเพราะความตันีเพราะความหัวงเพราะความโลภจึงทําให้ทำบุญให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้และเมื่อตายไปก็เลยต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นต้นดังนั้ น, น, นขอให้พวกเราจงอย่าหวงอย่ายึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้เขามีไว้เพื่อรับใช้เราเพื่อให้เราอยู่อย่างมีความร่มเย็ยนเป็นสุขเขาไม่ได้ให้เรารับใช้เขาเขาไม่ได้ให้เรามาเป็นยาตคอยเฝ้าเขาแล้วให้เราต้องมากินไม่ได้นอนไม่หลับกับเขา เราอย่าหลงผิดเป็นชอบเราต้องใช้ปัญญาให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อหนึ่งเลี้ยงดูร่างกายของเราและลูกหลานเลือกคนที่เรามีความรับผิดชอบให้อยู่อยู่ดีกินดีหลังจากนั้นถ้ามีเหลืออยู่ก็ให้เอาไปทำบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็นทรัพย์ภายในเพื่อจะได้เป็นสมบัติ ที่จะรอเราอยู่ภายหน้าในกรณีที่เรายังไม่สิ้นสุดยังไม่ถึงพระนิพพานเราก็ยังจะได้อาศัยเงินทองที่เราได้ทําบุญไว้ในชาตินี้รอเราอยู่อย่างพระพุทธเจ้าและพระศีวรีเป็นต้นพอมาเกิดก็ได้มาเกิดในสกุลที่มีฐานะเช่นมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินเป็นต้นก็ไม่ต้องมาเสียเวลา กับการทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอถึงเวลาที่จะออกบวชก็ออกบวชได้เลยทันทีถ้ายังไม่ได้ทำบุญให้ทานมามาเกิดก็จะเกิดเป็นคนยากคนจนก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเรื่อยๆก็จะไม่มีเวลาที่จะคิดออกบวชออกปฏิบัติธรรมนี่แหละคือความหมายของการให้ทานเป็นอย่างนี้ ไม่ได้ทาไม่ได้ให้เพื่อหวังความร่ำรวยเป็นหลักแต่หวังการปล่อยวางทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆที่คอยกดดันจิตใจทำให้หนักอกหนักใจทำให้ไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติทำขั้นสูงต่ามลําดับต่อไปได้ผู้ที่ไม่ให้ทานนี้จะรักษาศินยาอย่างที่ได้พูดไวเพราะอยากจะได้เงินได้ทองมากๆ ถ้ารักษาศีลก็จะเป็นเหมือนอุปสรรคเพราะว่าจะพูดปดก็พูดไม่ได้จะโกงก็โกงไม่ได้จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ทำไม่ได้จะเปิดบาเปิดผับจะเปิดซ่องโสเภณีก็ทำไม่ได้จะทำมาหากินแบบผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ทำไม่ได้ถ้าจะทามาชีพสุดเจริก็เงินทองมันก็ มันก็ได้มาน้อยมันไม่นาเร็วเหมือนกับทรอาชีพที่ไม่เป็นอาชีพที่สมามาชีพดังนั้นคนที่ไม่ทาบุญให้ทานก็จะจะรักษาศีลไม่ได้จะละเว้นจากอบายมุกต่างๆไม่ได้แต่ถ้าคนที่ธรรมะทำให้ทานอยู่เรื่อยๆนั้นจิตใจเขาจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเขาจะไม่โลภมาก เขาจะพอใจกับฐานะของเขามีน้อยเขาก็มีความสุขได้เพราะความสุขของใจไม่ได้อยู่ที่มีมากหรือมีน้อยอยู่ที่คำว่าพอถ้ารู้จักคำว่าพอหรือพอดีมันก็จะมีความสุขแล้วพอดีก็คือพอต่อความต้องการของร่างกายก็ถือว่าพอแล้วมีความสุขได้แล้วถ้ามากกว่านั้นหรืออยากจะได้มากกว่านั้น มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะต้องไปตะเกียกตะกายไปดิ้นรนไปขวนขวายไปต่อสู้กับผู้อื่นเพื่อจะหาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาแล้วแทนที่จะมีความร่มเย็นเป็นสุขก็จะกลับมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ถ้าให้ทานแล้วใจจะไม่อยากได้อะไรดังนั้นเวลาท ร, รมาหากินก็จะรักษาศีลได้ แต่ไม่เห็นว่าการมีศีลนี้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่กลับเห็นว่าการมีศีลนี้ทำให้จิตใจสุขสบายยิ่งกว่าเดิมเวลาทำผิดศีลแล้วใจจะไม่ค่อยสบายกลัวจะต้องไปใช้กรรมกลัวจะต้องไปรับเคาะกลัวผู้อื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนชอบก็พูดโกหกชอบลักทรัพย์ชอบโกงผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้ว ใจของเราก็สบายไม่ต้องมากังวลเมื่อเราไม่กังวลกับกับเรื่องต่างๆแล้วเห็นว่าความสุขของใจนี่มีความสำคัญกว่าความสุขทางทางอื่นก็อยากจะทำให้มีความสุขมากขึ้นก็จะเริ่มนั่งสมาธิเริ่มภาวนาทำจิตใจให้สงบการทำจิตใจให้สงบด้วยการอุบายของสมาธิ นี่เป็นการทำเป็นการภาวนาขั้นที่หนึ่งการภาวนาขั้นที่สองก็คือการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงต่อในสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดเพราะความหลงยึดติดในสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้แก่ใจแต่ก่อนที่จ ะ, จะเจริญปัญญาให้มีความเห็นตามความจริงได้ ใจิตใจต้องสงบก่อนจึงต้องทำสมาธิก่อนการทำสมาธินี่ก็ทำได้หลายวิธีด้วยกันถ้าจะให้บริกรรมพุทโธพุทโธยังไม่สามารถทำได้ในเบื้องต้นก็ให้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือสวดมนต์ก็ยังไม่อยู่สวนมนต์แล้วยังไปทิ้งเงนั้ น, น, นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ฟังฟังเทศไปก่อน ถ้ามีซีดีมีเทปธรรมะก็เปิดฟังไปเวลานั่งฟังธรรมะก็ไม่ต้องท่องพุโทโธไม่ต้องบริกรรมพุโทโธให้มีสติจดจ่ออยู่กับการฟังเหมือนกับเราที่กำลังฟังอยู่ขณะ น, นี้เมื่อเราฟังไปเรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะเริ่มสงบลงพอรู้สึกว่าอยากจะหยุดฟังเราก็ปิดแล้วเราก็กาหนดดูพุโทโธพุธโทโธไป เรื่อกำหนดดูลมหายใจไปตอนนี้ใจก็จะไม่วอกแวกใจก็จะไม่ทะเลทไลไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะอยู่กับพุโทโธจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะรวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นเอกตาลมเป็นสมาธิขึ้นมา ในขณะที่ใจมีความสงบเป็นเอกาตาลมใจจะมีความสุขอย่างยิ่งจะไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาก่อนต่อให้ได้เงินทองมาเป็นหมื่นเป็นล้านก็จะไม่ได้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ถ้าเห็นถ้าได้พบกับความสุขนี้แล้วก็จะตัดสิ่งต่างๆไปได้อย่างง่ายดายเคยมีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ คอยมีความสุขกับคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะรู้ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่แน่นอนบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขเคยสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่วันนี้กลับไม่สุขเคยสุขกับคนนั้นคนนี้วันนี้กลับไม่สุขก็ได้เพราะคนนั้นคนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปเขาอาจจะไม่อยากจะสุขกับเรา พอเราอยากจะสุขกับเขาเขาไม่อยากจะสุขกับเราเราก็ไม่สุขแล้วเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำสมาธิความสุขนี้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนทำสมาธิได้เมื่อไรก็จะได้ความสุขแบบนี้เมื่อนั้นไม่ต้องไปรอคอยคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยากจะหาความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าอยากจะไปดูหนังก็ต้องรอเวลาที่โรงหนังก็เปิดถ้าอยากจะไปหาความสุขกับตามสถานบันเทิงต่างๆก็ต้องรอเวลาให้สถานบันเทิงนั้นเปิดถึงจะไปได้แต่ความสุขจากการนั่งสมาธินี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาเพราะมันอยู่กับตัวเราเรานั่งสมาธิเมื่อไหร่มันมีสติคอยควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิด วุ่นวายกับเรื่องต่างๆได้ใจก็จะสงบตัวลงได้เมื่อสงบแล้วก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราไปหาจากภายนอกเงินก็ไม่ต้องเสียเสื้อผ้าก็ไม่ต้องแต่งให้เสียเวลาน้ําท่ากไม่ต้องอาบก็ได้ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่กับบ้านหามุมสงบในบ้านในห้องอยู่คนเดียว ล้วก็ตั้งสติให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปหรือสวนมนต์ไปก่อนถ้ามันไม่ยอมอยู่หรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้วค่อยขยับกลับเข้ามาสู่พุโทโธต่อไปแล้วไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบแต่ความสงบนี้มันเป็นความสงบที่ไม่ถาวรเพราะอยู่ได้ไม่นานใ น, นเบื้องต้นก็อาจจะอยู่ได้เพียงหนาทีสิบนาทีก็จะถอนออกมา แต่ถ้านั่งไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆเข้าต่อไปก็จะสงบได้นานเข้าไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่ได้สงบไปทั้งวันถ้าอยากจะสงบให้ทั้งวันนี้เวลาที่ออกจากสมาธิออกจากความสงบของสมาธิเราก็ต้องมาเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาต่อเราต้องพิจารณาร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราต้องพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ปล่อยวางพอเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วใจของเราก็จะสงบเพราะจะไม่กลัวความแก่จะไม่กลัวความเจ็บจะไม่กลัวความตายความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี้จะทำให้ใจเราไม่สงบจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวาย พอใครพูดถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความตายใจก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีพอเห็นคนนั้นคนนี้ตายใจก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีหาความสงบไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเมื่อเลาะสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ความความยึดติดก็จะผ่อนก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจนไม่มีความยึดติดต่อไปเพราะรู้ว่าเวลายึดติดแล้วจะมีความทุกข์ใจมากนั่นเองพอปล่อยได้แล้วทีนี้ก็สบายใจก็สงบสงบโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิมีความสุขได้โดยไม่ต้องนั่งสมาธิน่าจะสงบอย่างถาวรจะสงบไปเรื่อยๆนอกจาก ถ้ามีกิเลสมีตัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ได้กำจัดโผล่ขึ้นมามันก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็จะรู้ทันทีว่ามีปัญหากับจิตใจก็จะถามว่ากำลังทุกขกับเรื่องอะไรก็ต้องไปพิจารณาเรื่องนั้นแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่ายึดติดไม่ได้มันไม่เที่ยงแท้น่นอน พอเห็นว่ามันยึดติดไม่ได้ต้องปล่อยวางก็จะปล่อยวาง ท, างทันทีพอปล่อยวางแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นอีกต่อไปเช่นเวลาใครเข้ามาด่าเรามาว่าเราเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเรามาพิจารณาว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เขาจะด่าเราหรือจะชมเรานี่เป็นเรื่องของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ แต่เราสั่งใจของเราได้สั่งใจของเราอยากไปสนใจได้สั่งใจของเราให้ปล่อยวางได้อย่าไปอยากให้เขาชมอย่าไปกลัวคว้าการด่าของเขาต้องกล้าที่จ ะ, ะเผชิญคาชมก็ได้คาด่าก็ได้ถ้าเราทำใจได้แล้วต่อไปใครจะด่าเราอย่างไรเราก็จะไม่ทุกเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะมีความสุขความเย็นสบายไปตลอด นี่คืออานิสงส์ที่เกิดจากการเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรแต่แต่สมาธิหรือความสงบของสมาธินี้จะดับความทุกข์ได้ชั่วขณะที่สงบเท่านั้นพอถอนออกจากสมาธิแล้วพอใจไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ดีใจเสียใจหรือไม่พอออกไม่พอใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาดึงใจให้ปล่อยให้วางให้รู้ว่าไปยึดไปติดกับอะไรไม่ได้ไปรักไปชังกับอะไรไม่ได้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเข้าใจแล้วก็จะปล่อยพอปล่อยแล้วต่อไปก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องต่างๆกับคนต่างๆใครเขาจะทำอะไรก็จะไม่เดือดร้อน เขาจะเป็นเขาจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าเราไปห้ามขอไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้เศร้าสศกเสียใจได้ด้วยปัญญาด้วยการสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลยใจของเราจะเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ที่จะไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาทำธุระของพุทธศาสนิกชนคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระนี้ให้ท่านได้นำไปพิณิทิจานาและปฏิบัติเพื่อการงมเงย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีรัตนกรมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์แมะบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเผ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมรณะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากาันเทอ